โมทนานะพวกเราที่ตั้งใจบวชเป็นสมณี น, นภาคดูร้อนหรือว่าทำการมาศึกษาชีวิตมาสั่งสมบุญกุศลนะพวกเราโชคดีที่ได้ใช้เวลาในช่วงนี้สั่งสมบุญเพราะว่าเราทุกคนได้อยู่ด้วยบุญกุศลนะแต่าหากว่าเราบุญกุศลเราไม่พอนี่มันก็เหมือนกับเราเงินทองที่จะใช้ไม่พอขาดขาดเขินๆจะทําอะไรก็ ยุ่งยากมีปัญหาตังค์ไม่พอลำบากยากจนแต่ถ้าคนไหนมีเงินมากพอนจะทำแล้วก็สะดวกที่เราก็เหมือนกันบุญกุศลก็เหมือนเงินก็เรียกเหมือนเป็นอริยทรัพย์ถ้าคนไหนมีบุญกุศลได้สั่งสมไว้เรื่อยๆเนี่ยคนนั้นจะทำแล้วก็สะดวกจะหางานก็ง่ายจะงานแล้วก็สะดวกจะไปไหนมาไหนก็สะดวกนี่มันออกมาเป็นแบบนั้น ไม่มีปัญหาอุปสรรคขัดข้องจะทำอะไรจะไปไหนจะหาการงานหายศดหาตาแหน่งหาเงินหาทองอะไรจะสะดวกไปหมดถ้าเรามีบุญกุศลนะแต่ถ้าหากบุญกุศลเราไม่พอหรือมีน้อยเนี่ยจะทำอะไรก็ติดขัดไปหมด น, นั้นก็ติดอันนี้ก็ขัดทำอะไรก็ไม่คล่องไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อย่างใจ เขาเรียกบุญกุศลเราน้อยเหมือนคนมีเงินน้อยคนมีเงินมากนี่ทำอะไรก็สะดวกเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมีโอกาสได้สั่งสมบุญมันก็จะมีข้อแม่นะบุญก็ไม่ได้ง่ายๆเหมือนกันบุญกุศลก็ทำยากอย่างที่เราสวดมาเมื่อกี้ <c oughs> ว่าสำเร็จต้องมีศีลต้องมีระเบียบสิบข้อแล้วก็เว้นอีกสิบข้ออันที่หนึ่งก็คือ ไม่มีเมตตากรุณาต่อกันความเมตตากรุณาต่อกันไม่อิฉาไม่เบียดเบียนไม่กระทบกระทั่งไม่อาฆาตพยาบาททะเลาะเบาแวงกันนี้คือข้อที่หนึ่งะให้เว้นจากอันนี้ถ้าคนไหนทะเลาะเบาแวงอาฆาตโกรธเพื่ อ, น, อนนี่ก็ถือว่าผิดศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองอก็คือพูดอะไรก็มีสมมาคารวะ คือเป็นผู้ที่ไม่ไม่รักขโมยหรือไม่เอาของคนอื่นมาใช้ถ้าไม่ใช่ของตัวเองก็ไม่เอาถึงจะมีโอกาสก็ไม่เอาเสื้อผ้าเงินทองของข้าวหรือของมีค่าทั้งหลายนะไปของอื่นๆไม่แต่ต้องจะใช้ของตัวเองของตัวเองจะดียังไงไม่ดียังไงก็ใช้แต่มีโอกาสที่จะเอาเห็นขององเขาตกัองเขาหล่นของเขาลืมนี้ก็ไม่เอาเห็นว่ามันตกมันหล่นก็เก็บมาหาเจ้าของหา แล้วของเรอรักษาสินข้อที่สองคือไม่เอาของคนอื่นเอาแต่ของรักษาของตัวเองแต้วของมีค่าของเราก็รักษาให้ดีนะนอกจากไม่เอาของคนอื่นก็รักษาของตัวเองให้ดีถ้ารักษาไม่ดีก็ผิดสินเหมือนกันใช้ไม้ส้อยแปรงสบู่ยาสีฟันผ้าผ่อนท่นสบายบาดกรบที่อยู่ที่นอนเนี่ยต้องรักษาใช้ให้ดี แต่คนไหนรักษาไ ม, ไม่เอาของเนอื่นก็จริงแต่รักษาของตัวเองไม่ดีทีวอนอยู่ที่หนึ่งส บ, บุงอยู่ที่หนึ่งหนังสือก็อยู่ที่หนึ่งบาทอยู่ที่หนึ่งเรียรกไม่เก็บดูแลของตัวเองนี่เป็นพิษข้อสองนะข้อที่สามร่วงละเมิดสิทธิของหัวคุณอื่นอันไหนที่คนอื่นเขารักเราก็ไม่แปะไปละเมิดนะเช่นเห็นบาทเทสวยก็ ลองเอามาใช้ดูบ้างแต่ไม่รักขโมยเขามาใช้โดยที่เจ้าของเขาไม่รู้นึืเห็นผ้าเขาสวยก็เอามาใช้บ้างนึืเห็นหนังสือเขาหน้าอ่านก็หยิบมาใช้โดยที่ไม่ได้อนุญาตอันนี้ก็เรื่องละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือเห็นที่นอนเขาหน้านอนก็เข้าไปนอนเล่นนี่ก็ถือว่าผิดศีลค่อยสาอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันอันไหนเป็นสิทธิของห่วงของรักของอื่นเราก็ไม่ ไม่ไปแตะต้องนะข้อการที่สี่ให้เว้นจากการพูดปดพูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพยอเจือสี่คำนี้พูดไม่ได้อันไหนที่เป็นอิเท็สไม่จริงนี่ก็ไม่พูดพูดสอเสียดก็คือยุยงให้ทะเลาะคนนี้ยุยงคนนี้ทะเลาะคนนั้นเอาความผิดเขาคนนั้นมาบอกคนนี้นเอาความไม่ดีเขาคนนั้นมาบอกคนนี้นแล้วก็พูดคําหยาบเช่นขึ้นเองขึ้นมึงขึ้นกู ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพมึงอย่างนั้นกูอย่างนี้บทสําเนยแล้วใช้ครับผมาใช้ต้องต้องเป็นไม่ขึ้นมึงขึ้นกูคุณนั้นคุณนี้ใช้คำแทนคำสุภาพพี่น้องพี่นั้นพี่นี้คนแก่กว่าเราก็เรียกพี่คนอ่อนกว่าเราก็เรียกน้องคนเสมอเราก็เรียกว่าคุณคุณนั้นคุณนี้ไป ใช้คําสุภาพเราใช้ภาษาอันนอกเด็กนักเรียนหรือเด็กเลี้ยงควายก็ไม่ได้ผิดศีล น, นะผิสมันนยใช้ภาษาสุภาพอุเศเสดพูดคําหยาดพูดเพอร์เชอพูดเพอร์เชอรนี่ก็คือคุยไม่รู้กาลเทศะคุยกันดังอีล่งชงเฉงเวลาครูบาอาจารย์กําลังพูดอบรมหรือก็หันไปคุยกันหรือหันไปเล่นกันหันไปหยอกล้ อ, อ ก, กัน พวกนี้ผิดศีนะเราต้องตั้งใจข้อที่หเราก็ไม่เข้าไปเสพไปกินในสิ่งที่มันจะทำให้เรามึนเมาเช่นแอบสูบบุหรี่หรือยาดองยาเมาหรือกินน้ำกระท่อมกัญชายาเมาคนนี้พวกเราเนี่ยคงไม่มี ว่าบางคนอาจจะเคยแอบสูบูรี่ก็ต้องงดข้อที่หกเราจะไปฟ้อนรำขับร้องหรือไปเปิดเพลงฟังเปิดวิทยุฟังเปิดโทรทัศน์ฟังหรือแม้แต่จะใช้มือถือนี่ก็ไม่ได้ทุกคนก็ต้องเก็บมือถือไม่เอามาคงไม่มีแคลติดตัวมานะใช่ไหมมือถือมีไหมนะใครเอามาก็ต้องเก็บไว้ที่ครูบาอาจารย์หมดห้ามออกมาติดตัว เพราะอะไรเพราะว่าจะทําให้เราพุ่งร้านหรือว่าเกิดหายขึ้นมาก็มีปัญหาฟ้อนํานขับร้องประคมดนตรีหรือการร้องราทําเพลงฟังวิทยุโทรทัศน์อะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ข้อที่แปดก็ไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวแป้งหรือประดับตกแต่งอะไรต่า ง, างเกินจําเป็นอันนี้ก็ต้องระวังนะข้อที่8ดข้อที่9ห้ามนอน ตื่นสายนอนตื่นสายนอนสมมุติเขาบอกให้ตื่นตีสี่เราไปตื่นตีห้านี่ก็ผิดศีลละบอกให้ตื่นตีห้าไปตื่นหกโมงเชา้าก็ผิดศีลหรือบางทีตอนกลางวันเราเขา้ขาเข้าอบรมเข้าฝึกกันเขาแอบไปนอนอย่างนี้ก็ถือว่าผิดศีนลนะนะคุยกันนอนคุยกันเขาตื่นทวัดเช้าก็นนอนหลับไม่มาเขา จะทำวัดเย็นกับไปนอนคุยกันในเต็นท์นี่ก็ผิดศีลละคิอศีลข้อเกแล้วก็ข้อสิบก็คืออย่ากเก็บเงินทองไว้กับตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมีเกิดหายขึ้นมาก็เดือดร้อนมีการเป็นเทศให้เกิดการลักขโมยเราไม่ลักเขาเขาอาจจะรักเราหรือเราไม่ได้ลักเขาไม่ได้ลักแต่เราทําหายหรือเสียหายไป เกิดปัญหาเกิดเรื่องกันก็เก่งเก็บฝากที่ครูบาอาจารย์สิข้อนี้คือระเบียบของสมณเณรให้เว้นนะเว้นเว้นทั้ง1ิประการนี่แหละแต่ว่ามีอีกห้าข้อเราจะต้องเว้นคือไม่ไม่ตีเตียนพระพุทธไม่ตีเตียนพระธรรมไม่ตีเตียนพระสงฆ์ไม่ทำให้สงฆ์ทะเลาะกันพระทุสลายนางพิสุนีนี้ ุสลายเดี๋ยวนี้ไม่มีปุถุสลายสามเณรด้วยกันชกต่อยกับเพื่อนพวกนี้มีการชกต่อยรังแกกันอย่างนี้ก็ถือว่าปุถุสลายซึ่งกันและกันก็ผิดศีลแต่นั้นการลงโทษมีสองอย่างถ้าละเมิดศีลสิบข้อนี้ก็ท่นให้ศึกแต่ถ้าหากว่าละเมิดว่ากล่าวตีเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำให้สงฆ์แตกแยกกันแล้วก็ทาร้ายกันเองนี่ก็ท่านก็ให ทำธนกรรมทำธนกรรมหมายความลงโทษอาจจะให้ไปล้างซ่วมไปถูสาลาให้อดข้าววันหนึ่งทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนพวกนี้ค่ะแล้วแต่ครูอาจารย์เขาจะภาคทันไว้เขาเรียกว่าทัทนบนทํำธนกรรมอันนึงก็คือให้ศึกอันนึงก็ทําให้ลงโทษทําธนกรรมมีโทษสองอย่างถ้าใครละเมิดนะละเมิดที่เราสวดมามีกี่นะ พุทธะสาวันนางภาสติธรรมะอาวันนางภาสติรรสังกษะสาวันนางภาสติภิกขุ น, นีทูสะโกโหติที่เราสวดมาดังนั้นเองในสมัยก่อนพ่อ ก, ก่อนที่จะบวชเป็นสามเณรเนี่ยพวกนี้ต้องท่องให้หมดอนุญาสิโคนต้องท่องให้ได้คำปากเลยนะอันนี้พวกเราท่องได้ไหมยังไม่ได้สวดเลยมึงได้สวดบ้างหรือเปล่าเคยสวยดบ้างไหมหรือเพิ่งสวดวันนี้ ต้องไปต่อไปก็ต้องพาจาันทั้งพาสวดทุกวันเพราะอะเพราะมันเป็นศีลของเราเราจะได้จําได้เดี๋ยวเราจะลืมนะอย่พังปากเสียศีลพังตินตกต้นไม้นั้นเองก็ถ้าคนไหนบวชแล้วก็ทําได้อย่างนี้ถือว่าได้สร้างบุญใช้ดั่งบุญอย่างมากเลยสมเณรเนี่ยบุญขนาดไหนบุญขนาดว่าแม่ตกนรกนี่ย ไปโปรดขึ้นมาได้แม่ไปเกิดเป็นอบายภูมิเนี่ยไปโปรดแม่ได้สมเยนะ่ะถ้าหากว่ารักษาศีลเคร่งคัดลงไปกว่านี้อีกสามารถโปรดพ่อได้รักษาศีลเคร่งคัดไปกว่านี้อีกทำให้โปรดปู่ย่าตายายได้แล้วคนไหนตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานก็สามารถที่จะโปรดญาติโยมได้ด้วยตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานภาวนาเดินยงมสร้างจังหวะ ไม่ปล่อยเวลาให้ว่างเพราะเวลาน้อยทําให้ครบเลยนะรักษาศีลก็ทําเจริญภาวนาก็ทําแล้วอีกอย่างหนึ่งคนจะให้ทานให้ทานนี่ให้ไงให้ทานในที่ไม่ได้หมายความว่าให้เข้าให้ของให้อภัยให้อภัยทานทานตรงนี้ต้องทํำเยอะๆทามากด้วยพรา่หละไรพ่อเราไปอยู่กับเพื่อนตั้งหลายสิคนสี่สิบห้าสิพลไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะ เราก็มาจากต่างพอ่อต่างแม่ต่างบ้านต่างเมืองต่างวัฒนธรรมต่างภาษาต่างศประสบการณ์ต่างการศึกษาพวกนี้เราก็ต้องกระทบกระแทกกันบางครั้งไม่เข้าใจกันมันมีเรื่องที่กระทบกระแทกกันเรื่อยๆเราก็ต้องให้ให้อะไรจำไว้ในใจนะให้อภยัยโทษขอบคุณสองคำนี้ต้องติดปากเลยนะถ้าเขาทําดีกับเราขอบคุณ ถ้าเราไปทำผิดอะไรแเขาก็ขอโทษเช่นว่าไปใส่รองเท้าเขาผิดเขาขอโทษครับผมใส่รองเท้าผิดหรือไปดเดินไปกระทบเขาโดยไม่เจตนาขอโทษครับม่ะผมไม่เจตนาหรือเขาหยิบของเราไปผิดขอโทษครับอันนี้ของผมนะครับไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ของคุณนะหรือเขาหยิบของเราไปผิดแต่ก็บอกว่าอันนี้ของ ไม่ใช่ของคุณนะของผมนะก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะฉะนั้นต้องฝึกคำสองคำให้ติดปากเลยคนไหนมาล่วงเกินเราหรือเราไปล่วงเกินเขาเราก็ขอโทษเขามาล่วงเกินเราเราก็ให้อภัยถ้าเราไปล่วงเกินเขาเราขอโทษแต่เขามาล่วงเกินเราเราให้อภัยแต่เขามาทำดีกับเราเราก็ทำไงขอบคุณใช่ไหม อันนี้เป็นการสร้างเสน่ห์นะสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองนี่ถ้าหากว่าใครที่ไม่ให้อภัยไม่ชอบให้อภัยใครมาว่ามาด่าไม่เข้าใจหน่อยก็โกรธนะแล้วใครมากระทบกระแทกก็ไม่ให้อภัยเขาเขาไม่ได้เจตนาก็ให้อภัยเขาไม่ให้อภัยเราก็ไม่สร้างเสน่ห์กับตัวเองลนะเราได้สร้างอะไรถ้าไม่ได้สร้างเสน่ห์ เราก็สร้างเสนียดนะรู้จักเสนียดไหมืเสนียดรู้จักไหมเด็กไม่รู้จักมังเสนียดตรงข้ามกับเสนีอ่ะคือทำอะไรไม่น่ารักเขาเรียกว่าเสนียดพูดก็ไม่น่ารักทำก็ไม่น่ารักก็เป็นเสนียดเขาเรียกเสนียจันไรอันนี้เสนีก็คือทำให้น่ารักเสนียดนี่ทำให้น่าชังโอ้เนี่คนนี้น่าน่าชังยังไม่ชอบที่หน้ามันเลยนี่ถ้าเรากลายเป็นเสนียดไปเลย ดีไหมเราอยากจะมีสเสน่ห์หรือมีสเสนี่ห์ทุกคนต้องการมีสเสน่ห์แต่ต้องทําให้เกิดสเสน่ห์นะอยากมีสเสน่ห์จะไปทําเสนีย์นี่ไม่ได้นะอเพราะฉะนั้นการที่จะมีสเสน่ห์ดีทําไงเวลาเขาาเมึดเราล่วงเกินเราเราต้องไปไงให้อภัยใช่ไหมแต่ว่าเราไปล่วงเกินเขาโดยไม่เจตนาเราก็ไปไงขอโทษนะ หรือบางทีเขามาทำดีกับเราเขามาช่วยเราทำไงขอบคุณครับอ่าเพราะางั้นสามคำนี้ฝึกเอาไว้เลยเขามาทำดีกับเรามาช่วยเหลือเรามาห่มผ้าให้เรามาแต่งขอบคุณครับอ่ายกมือไหว้ด้วยนี่ก็สร้างเสน่ห์ทุกวันทวันเสน่ห์ต้องสร้างทุกวันไม่ใช่สร้างวันนี้วันเดียว น, นะใครมาละเมิดล่วงเกินโดยไม่เจตนาก็ใขภัยไป แล้วก็ยิ้มให้อ๋อขอโทษนะครับผมไม่ไม่ตั้งใจขอโทษสิ่งเหล่านี้ง่ายๆแต่ว่าเรามากักไม่ค่อยทําการให้ในที่นี้คือให้อภัยซึ่งมีผลมีกุศลมากกว่าการให้ทำการให้ทานการให้วัตถุสิ่งของมีผลทีเดียวเพราะฉะนั้นเองให้เยอะๆให้อภัยเนี่ยเพราะาเราไปอยู่หลายคน ให้คนนั้นบางให้คนนี้เราไปอยู่50าสักห้คนเนี่ยวันหนึ่งเรามีโอกาสให้อภัยคนถึงได้ถึง50ิครั้งแต่ละครั้งเราเป็นบุญมากทีเดียวนะต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นนิสัยติดนิสั ย, นสยคนไหนมีนิสัยให้อภัยมีนิสัยที่กล่าวขอบคุณเมื่อเขาทําดีให้มีนิสัยกล่าวขอโทษเมื่อเราลบเกินเขาคนนั้นก็จะมีเสน่ห์ตลอดมา อ, อยู่ใกล้ก็รัก คนอยู่ไกลก็คิดถึงนะคนอยู่ใกล้นะก็เข้าหาคนไปมาก็ต้อนรับนี่เห็น ไ, ไหมเพราะฉะนั้นเองเราเกิดเป็นคนเกิดมายากเร า, าไปสร้างเสนียดใจตัวเองนะเรจะไปสร้างบาปสร้างเสนีย์คือสร้างบาปนั่นเองนะเราสร้างแต่บุญบุญสร้างบุญคือสร้างเสน่ห์ใส่ตัวเองคนบุญคือคนมีเสน่ห์ คนเสนียดคือคนบาปนะก็ไม่มีใครอยากได้เป็นบาปหรอกแต่เราก็ต้องมาสร้างเหตุของมันนะเพราะนั้นมาเที่ยวนี้ถือว่าเราเดิมพันธุ์มาสูงทีเดียวมาไกลนะถ้าหากว่าเราไม่ได้ของดีกลับบ้านนะี่ขาดทุนนะเพราะนั้นมาด้วยเดิมพันุ์ที่สูงมากต้องได้ของดีกลับบ้านของดีนี่ไม่ใช่ว่าไปแอบขโมยเข้ามานะ โอ้ผมมาคุ้ดได้อะไรบ้างเนี่ยมีอยู่เรื่องมิธานเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังมีนักศึกษ า, ากลุ่มหนึ่งประมาณสักสาสบคนเนี่ยไปเรียนวิชากับพระฤาษีนะไปจากหมู่บ้านบ้านหนึ่งไปเรียนวิชาที่ไปเรียนวิชาแล้วทีนี้ก็ครบตามเวลาที่เรียนเดือนหนึ่งวันสุดท้าย หรือสีก็เรียกมาสอบออกข้อสอบข้อเดียวใครสอบผ่านก็กลับบ้านได้ใครสอบไม่ผ่านก็เรียนต่ออีกเดือนหนึ่งข้อสอบว่าไงรู้ไหมข้อสอบบอกว่าให้ทุกคนเข้าไปในหมู่บ้านไปลักของมาคนละหนึ่งชิ้นอะไรก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าในขณะที่ขโมยมาในห้ามให้คนเห็นนะคนเห็นถือว่าสอบตกอ่า มีข้อสอบของพอลุสีเนะี่ยเอาอยากสอบได้หร อ, อยากสอบตกอยากสอบตกหรือสอบได้ถ้าหากว่าสอบตกเนี่ยได้เรียนซ้ําชั้นถ้าสอบได้เนี่ได้กลับบ้านแต่ว่ามีข้อแม้ว่าลักมัาหนึ่งชิ้นจะเป็นเข็มเล่มหนึ่งผลไม้ผลหนึ่งผ้าชิ้นหนึ่งอะไรก็ได้ขอให้เป็นขออย่าให้คนเห็นน่ะข้อแม่มันนะอย่าให้คนเห็นปรากฏว่า เมื่อทุกคนกลับมาแล้วไปขโมยกลับมาแล้วเอา้าวให้รักของได้บ้างยกมือขึ้นยกพึบไอีกคนนึงไม่ยกก็เพื่อนอา้าวคนนั้นทําไมไม่ยกผมไม่ได้รักครับอา้าวทาไมอ่ะเพราะไปรักที่ไหนก็มีแต่คนเห็นว่า ง, งั้น <c oughs> เอาเนี่ยเพื่อนเขาไปรั ก, กทุกบ้านหนูมาเห็นก็มีคนเห็นเลยก็ผมเป็นคนครับผมจะรักเลยผมเอือ้อมก็ไปรักที่ไหนผมเห็นตัวเองทุกทีว่า ง, งั้น อ่าคนนี้สำคัญนะเขาผมจะไปเยี่ยมนะ่ไปไปเยี่ยมเนะ่ไม่มีใครเห็นก็ยิงแต่ผมเห็นตัวเองอะ่ะเพราะผมเป็นคนโอ้โหอาจารย์บอกว่าเธอผ่านเพียงคนเดียวนอกนั้นสอบตกมดยี่สิบเก้าคน <c oughs> คนนั้นได้กลับบ้านคนเดียวสอบผ่านหมายความว่าอย่างไงทุกคนที่ปไปได้ของมาเนี่ย คนเห็นไหมใครเห็นตัวเราเองเป็นคนต้องเห็นตัวเองใช่ไหมก็ผิดข่ากติกาแล้วแต่ว่าแสดงว่าคนที่รักได้มาเขาเป็นคนไหมคนที่ไปรักของเขาได้มาเป็นคนมหมยี่สิบเก้าคนเนี่ยถือว่าเขาเป็นคนไหมเอาเป็นทําไมเขาไม่เห็นตัวเองเขาไม่เห็นนะนั่นเขาไม่ใช่คนถ้าเขาเขาเป็นคนเขาต้องเห็นตัวเองใช่ไหมที่ว่าเมื่อกี้ อันนี้เขาไม่เห็นตัวเองเสร็จแล้วเขาไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นคนคือคนที่คนจะเป็นคนได้ต้องเห็นตัวเองคนที่ยังไม่เห็นตัวเองนี่ยังไม่ใช่คนเขาเป็นอะไรอ่ะพวกกาเนี่ยเวลามันจะไปเอาของเขามากินมาขโมยเขาใช่ไหมพวกหมาพวกสัตว์เนี่ยเวลามันจะไปเอาของเขามากินเนี่ยมัขโมยเข้ามาเพราะฉะนั้นพวกนั้นเป็นอะไรอยู่เป็นสัตว์ไม่ใช่คน เใช่ไหมเขาฤาษีฉลาดไหมอืมเพราะฉะนั้นผ่านเพียงคนเดียวเพราะว่าเขาเป็นคนเพราะฉะนั้นการไปเรียนพู้ฤาษีเนี่ยเขาสอนคนให้เป็นคนเขาไม่ได้สอนให้คนให้เป็นสัตว์นี่เราไปเรียนมานี่ก็คือมาเรียนความเป็นคนนะเพราะฉะนั้นก่อนกลับบ้านเนี่ยต้องมาแวะหาหลวงพ่อหลวงพ่อจะสอบว่าใครผ่านความเป็นเป็นเนนมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ออกข้อสอบวัเดินออกข้อสอบให ม, ม่เธอตามไม่ทันหรอก ว่าใครเป็นสามมณีนบ้างหวอพ่อจะออกข้อสอบสามมณีมั้ยไม่ได้ออกข้อสอบของคนแล้ววันนี้นั่นตั้งใจไปฝึกให้ดีนะอ่าที่หลวงพ่อบอกเนี่ยศีลเนี่ยให้อะไรอ่าสามข้อนี่ยทำไม่ได้ข้อที่หนึ่งคือให้อะไรให้อภัยสองเมื่อมีคนมาแล้วเมื่ล่วงเกินทําให้เราไม่สบายใจทําไร ขอโทษเราไปรล่วงเกินเขาเ้าล่วงเกินเราขอโทษเวลามีคนมาทำดีให้กับเราช่วยเหลือเราดูแลเราทาไงขอบคุณจําคำํสามคำนี้ให้ได้นอกนั้นก็ลึงศีลที่กล่าวมาทั้ง10ข้อที่ข้งพอแจงแ้งรายละเอียดมาแล้วนะต้องทำให้ได้แล้วถือว่านั่นแหละผ่านการทดสอบอผ่านการทดสอบหลวงพ่อก็จะไม่ไปดูหรอก หลวงพ่อก็จะรอสอบทีเดียวแหละตอนเธอกลับมานะจะได้วิชาแค่ไหนเพราะฉะนั้นเองในการไปครั้งเนี้ยเรามีเพื่อนเยอะนะเราอยู่ที่บ้านนะตลอดเดือนนี่ยไ ม, ไม่ไม่มีมีเพื่อนกี่คนก็เท่านี้แหละไม่งอกกว่านี้แล้วสมมติเราขึ้นสิบคนก็สิบคนแต่เราไปเที่ยวนี้เรามีเพื่อนห้าสิบหกสิบคนถ้าหากว่าเราทําดีมีสเสน่ห์นะเรามีเพื่อนทีเดียวห้าสิบคนหกสิบคน แต่ถ้าเราเป็นเสนียต์ไปไงเรามีศัตรูทีเดียวเป็นเท่าไหร่ห้าสิบหกสิบคนเหมือนกันเธอจะเอาศัตรูหรือจะเอาเพื่อนเอาเพื่อนนั่นตรงไปสร้างเสน่หให้ได้ย่าไปสร้างเสนียตทีเดียวนะถ้าสร้างเสนียต์ใส่ตัวเองเนาะได้ศัตรูกับบ้านแน่นอนไม่คุ้มเลยขาดทุนงานนี้แต่ถ้าอะไกับบ้านโอ้โหมีเพื่อนถามหาจมเลยนะอ่า เพื่อนตามไปเยี่ยมที่บ้านเลยคิดถึงอ่านี่แสดงว่าสอบผ่านนะ่ะหลวงพ่ อ, อถามว่าได้คี่เพื่อนกี่คนมานี่นะแล้วก็ถามว่า ส, สามเณรไปบวชครั้งนี้กี่คนแปดสิบคนครับแล้วเธอได้เพื่อนมากี่คนสามคนครับโอ้ไม่ได้ได้เพื่อนมากี่คนสิบคนก็ยังสอบตกอย่างน้อยได้เพื่อนแปดสิบนี่ก็ต้องได้เพื่อนถึงสี่สิบขึ้นไป ถือว่าสอบผ่านถ้าต่ากว่าสี่สิบถือว่าสอบไม่ผ่านถ้าคนไหนมีไปบวชเทีวนี้แปดสิบคนเนี่ยได้เพื่อนมาถึงแปดสิบคนเนี่โอ้โหเป็นไงได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยนอกจากสอบผ่านแล้วได้เกียรตินิยมพร้อมแต่ถ้าได้เจ็สิบคนนี่เกียรติดอันดับสองถ้าหกสิบคนเกียรตินิยมอันดับสามถ้าห่าสบิบรรคนนี่ถือว่าข้าบเส้นถ้าต่ากว่านั้นสอบตก อันนัะเกณฑ์วัดของหลวงพ่อแล้วทีนี้จะรู้ได้ไงเพื่อนด้วยเพื่อนมาจริงหรือเธอเขียนชื่อเข้ามาเฉยๆอ่าตรงนี้หลวงพ่อจะสํารวจ ด, ดูว่าที่ว่าเขาอ่าแสดงความเป็นเพื่อนเราอย่างจริงใจเนี่ยหลวงพ่อรู้ได้ไงอ่าหลวงพ่อจะขอดูบันทึกประจําวันของพระพี่เลี้ยงพระพี่เลี้ยงเขาจะมีบันทึกประจําวันว่าคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นไงใครรักใครชอบบ้างก็จะถามชื่อของเพื่อนน่ะ นะจำชื่อเพื่อนได้กี่คนถ้าจำชื่อเพื่อนได้แปดสิบคนโดยที่ไม่ต้องอ่านเลยนะนั่นแหละได้เพื่อนนะอันนี้ก็มาเขาจำชื่อได้แค่มากี่คนนะี่แสดงว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้คะแนนเลยว่างั้นเถอะนะดังนั้นก็เขาฝากให้คิดนะในช่วงที่ไปคราวนี้ไปหาวิชากับพลุษีนะกับพลุศีนะ ส่วนเราจะได้วิชาเมย่อไงหลวงพ่อจะมาสอบนู่นวันกลับมานั่นแหละก็ขออนุมโมทนาสาธุให้ประสบความสำเร็จในการไปครั้งนี้ขอให้ได้วิชาดีมาทุกคนแล้วก็เอาวิชานี้ไปฝากพ่อฝากแม่ฝากเพื่อนฝากครูบาอาจารย์ได้มีความก้าวหน้าในธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านที